อนาปฏติวานพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ59 1สิก้านูนอนร่วมกันในที่นอนมีเครื่องมุงทั้งหมดแต่ไม่มีเครื่องบังทั้งหมด2อพิกูจนอนร่วมกันในที่นอนมีเครื่องบังทั้งหมดแต่ไม่มีเครื่องมุงทั้งหมด3าพิสูุนอนร่วมกันในที่นอนไม่มีเครื่องมุงส่วนมากไม่มีเครื่องบังส่วนมาก4ีพิสูจนั่งในเมื่อมาตุคามนอน5้พิสูจนอนมาตุคามนั่น 6. ภิกษุนั่งและมาถุคามก็นั่ง 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุต้นบัญญัติทุติยสหัสเสยยะสิกขาบทที่6จบ